ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาสีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องธรรมทายาสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยผู้รับมรดกธรรมคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตตะวัน รับสั่งเรียกพิสูจทั้งหลายมาแล้วรับสั่งให้ถ้าเหล่านั้นตั้งใจฟังพระองค์ก็จะแสดงธรรมพิสูจทั้งหลายก็ทุนรับพระผู้มีพระภาคจ่าก็ตรัสว่าพิสูจทั้งหลายถือทั้งหลายจงเป็นธรรมชาญาธ อย่าเป็นอาตรสถะญาตของเราตถาคตเลยเราตถาคตมีความมนุเคราะห์ในเธอทั้งหลายอยู่ว่าทำยางไหรหนอสาวกทั้งหลายของเราจึงจะเป็นธรรมทายาทไม่ได้เป็นอามิส h ะญาติตรงนี้ก็มีประเด็นที่ควรทำความเข้าใจหลายประเด็นคือเราจะเห็นว่าเรื่องอามิตรกับเรื่องธรรมะเนี่ย ทรงแสดงไว้ในรูปแบบต่างๆเป็นนามาตเป็นนันมาตยเจตวาการปฏิสันฐานก็พูดถึงอมิสสะปฏิสันฐานและธรรมะปฏิสันฐานคำว่าอามิตรกล่าวโดยสรุปก็คือโลกวัตถุทั้งหลายก็ได้แก่ผู้กลาวมาคุณ น, นั่นเอง กบาทธรรมก็คือหลักการในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องซึ่งตามปกติแล้วพวกอาวุธเนี่เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการดํารินชีวิตแต่ว่าธรรมะเป็นหลักการในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องซึ่งก็ควรจะมีด้วยกัน เพียงแต่ว่าจะต้องมีกรอบที่ชัดเจนว่าอาวิธนั้นเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัยในการดำรงชีวิตจบลงที่เราตายแต่ว่าธรรมนั้นเป็นเรือนใจเป็นหลักใจเป็นบารมีธรรมอยู่ภายในใจของบุคคลจะติตตาบุคคลไปใน สำหราญจะพบภายภาคหน้าวันปริมาณธรรมะยิ่งมากเท่าไรยิ่งดีปริมาณนามิตรยิ่งมากเท่าไรยิ่งมีปัญหาเป็นภาระจะต้องอาศัยความรับผิดชอบมากมีการป้องกันมีการอารักขานำไปสู่ เวรไฟต่างๆอันตรายต่างๆอีกเป็นนันมากแล้วในการสงเคราะห์ก็พูดถึงการสงเคราะห์อสองอย่างคือสงเคราะห์ด้วยอามิ t h หรือวัตถุสิ่งของกับสงเคราะห์ด้วยธรรมะแล้วก็สงสันสริญการสงเคราะห์ด้วยธรรมะ เป็นตัวอย่างว่าคนมาขอเงินจากเราถ้าขอทุกครั้งเราให้ทุกครั้งเราก็ตายเขาก็เรียงตัวไม่ได้แต่ถ้าเราให้หลักการที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตแก่เขาจะดโดยวิธียังไงก็ตามแล้วเขาก็นําความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นไปเป็นหลักในการดําเนินชีวิต ในสุดเขาก็ไม่ต้องมาขอคนอื่นแต่ก็ช่วยตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้จนถึงก็ไปช่วยคนอื่นได้เพราะโกเราที่จริงมันก็มีสองอย่างนั่นแหละก็คือมีวัตถุ ก, กับนมามธรรมหรือรูปธรรมกับนมามธรรมหรือนามกับรูปนั่นที่เรารู้เนี่ย ทีนี้ในที่นี้ทรงเน้นที่การเป็นธรรมทานญาติคือรับมรดกสืบสานพระธรรมะทั้งด้วยการศรึกษาทั้งด้วยการปฏิบัติทั้งด้วยการเผยแผ่ทั้งด้วยการดูแลรักษาระศาสนาแต่ถ้าเราเน้นที่ผลประโยชน์หรือเน้นที่อามิตร และในสุดคนก็จ ะ, สะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของตนมุ่งแต่จะได้จะมีจะเป็นกันอย่างตอนปลายสมัยยุทธยาเนี่ยเราจะเห็นว่าความสำนึกในภาระหน้าที่ที่พึงมีต่อชาติบ้านเมื อ, องนั้นก็คือธรรมะมันหย่อนลองอไป แต่คนจะยื้อแย่งผลประโยชน์ฐานะตำแหน่งฐ า, านันดรต่างกันอย่งอำนาจแย่งตำแหน่งกันแย่งผลประโยชน์กันแล้วก็จบลงว่าในสิ่งที่แย่งกันไปแย่งกันมาเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครได้ส่วนหนึ่งพม่า ก, ก็ได้ไปส่วนหนึ่งก็สูญหายไปส่วนหนึ่งก็คนอื่นก็ได้ไป คนที่อยู่ในกลุ่มยื้อแย่งทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ตายโดยเฉพาะที่แย่งกันใหญ่ๆเนี่ยก็ตายไปพระมหากษัตริย์ทั้งพระเจา้าเอกทั์และพระเจ้าอุทุมพรก็ที่บุงโคตไปไม่ใช่ที่บุงโคตไปแต่ปกติธรรมดาแต่ว่าที่บุงโคตไปอย่างน่าสลดใจ มันก็เป็นตัวอย่างให้ดีว่าถ้าสมัยนั้นคนได้เน้นที่สำนึกรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองแล้วก็มีคนเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองกันไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์เป็นที่ตั้งแต่เอาความดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งกรุงเสีอยุธยาก็ยืนยงต่อมาได้จนถึงปัจจุบัน แต่ในที่สุดเข้าไปไม่ได้ทีนี้รศาสนาเราก็มีลักษณะนั้นให้เราลองพบว่าเวลายุคที่าศาสนาจะเข้าสู่ความเสื่อมเนี่ยมันเป็นยุคที่อุณหภามาขั่งด้วยอามิตสักการะทั้งหลายอย่างเราอยู่ดูตัวอย่างในช่วงของพระเจ้าอาโสก ในยุคพระเจ้าอโศกนั้นพระได้รับการทำนุบํำรุงจนมองเห็นเป็นบําเรอไปพระอยู่สุขสบายขนาดเจ้าชายวีตโศกหรือเจ้าชายติศะขาดการการทำบุญของพระเจ้าอโศกว่าไม่เห็นไม่ได้ประโยชน์อะไรพระรับดินธบัตไปแล้วก็ไปกินกินนอ น, นอนอย่างที่คนบางพวกในปัจจุาบันว่า ชาวเอนเพนนอนบ่ายพรกผ่อนค ำ, ำตำวัดแล้วในที่สุดหาคนเป็นหลักให้แก่ศาสนาไม่ได้เพราะว่าการศึกษาก็สับสนเพราะการศึกษาสับสนปฏิบัติก็สับสนเผยแผ่ก็สับสนความคิดที่จะดูแลรักษาพระศาสนาก็ถูกทิ้งคว่างไป ไม่มีคนดูแลเอาใจใส่พระโมคคลรีบุตรเทระมองเห็นสถานการณ์แล้วท่านก็ออไมาอยู่เหมือนกันพะต้าหากว่าทางบ้านเมืองไม่เข้าสนับสนุนคณะสงฆ์มันก็เป็นยักษ์ไม่มีตะบองนะคือไปสู่รบปบมืออะไรกับใครไม่ได้ท่านก็ต้องหนีไปอยู่เหนือแม่น้ำคงคา เียโททางกบังพจจนพระเจ้าโศกเตรียมพร้อมแล้วก็ไปราธนาท่านมาเพราะตอนนั้นหาพระมือมือดีจริงๆนี่หาไม่ค่อยได้แม้จะมีพระมากก็ตามแต่ว่าหาไม่ค่อยได้แล้วความแตแกแยกเหล่านี้มันก็ทำให้เสื่อมราบ พอพระเจ้าโศกหันมาทำนุบำรุงพระก็อุ่นหนาวควาข้างอย่างว่ามันก็อยู่สบายแบบคุณหนูอ่นะแล้วในสูตสุดก็เอาตัวเองไ่รอดเพราะศาสนามันก็เสื่อมมาตั้งแต่ระเจ้าชายสัมปติแล้วก็เสื่อมมาในราชวงศ์พระเจ้าโศกเนี่ยจนถูกยึดอำนาจจาก พระเจ้าปุธยมิตรในราชบวงสุขะขนาดฆ่าทำลายพระสงฆ์จางฆ่าพระกันหัวหนึ่งฮะเนอ ห, หนึ่งพันกระหางปะาน่าทีเดียวอันนี้เป็นร่องรอยที่เราเห็นร่องรอยที่เราเห็นว่าถ้าเราไปให้ความสำคัญแก่โลกวัตถุมากเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดความเสื่อม เพราะไรเพราะโลกวัตถุนี่ตอบสนองไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอแต่ว่าธรรมะมันมีตัวเบรกเช่นสมมติว่ามีอาหารมากมายสมมามารถจะแจกแบ่งกันได้ถ้าหากว่าทุกคนไม่เห็นแก่ตัวแต่ถ้าคนเคยเห็นแก่ตัวแล้วก็ยือ้อแยางกันดุทลุกคนที่กินก็เหลือคนที่ได้ไปก็เหลือ ผลบางพวกก็อาจะได้พอดีส่วนท่วหนึ่งก็จะแย่งสู้ไม่ได้แล้วก็จะอดในการสืบต่อยุคพระศ า, าสนาเนี่ยมันต้องสืบต่อด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการเผยแผ่แล้วก็ด้วยการดูแลรักษาระศ า, าสนา แน่นอนจากการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องสัมผัสผลจากการปฏิบัติพอสัมผัสผลจากการปฏิบัติแล้วมาบริหารจัด ก, การกับอมิตรได้ดีคือการเฉลี่ยแบ่งปันมีความมักน้อยมีความฉันโดดตามสมควรแก่กนันนี้โลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียดังนั้นจึงรับสั่งว่า ขอให้ภิกษุทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาตอย่าเป็นอมิสถายาตของพระองค์พระองค์ก็มุ่งหวังที่จะเห็นสาวกของพระองค์เป็นธรรมธายาตไม่ได้เป็นอมิสถายาตนั่นก็คือความหวังของศาสนา แต่บนเส้นทางประวัติศาสตร์ยาวนานของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นลงลงเป็นคลื่นอย่างนี้ในช่วงใดที่ให้ความสำคัญแก่ธรรมะในช่วงนั้นศาสนาก็เฟื่องฟูในช่วงใดที่ให้ความสำคัญแก่อามิตแน่นอนศาสนาก็เฟื่องฟูแต่ เพื่องฟูเพราะการศึกษาการปฏิบัติการสัมผัสผลการเผยแพร่แต่การดูแลพระศาสนาแต่พออมิตรต้องเพื่องฟูนี่ท่านทอดทิ้งหมดถ้าทอดทิ้งตัวเหตุปัจจัยที่ให้ลาส ก, การเพื่องฟูขึ้นแล้วสุดท่านก็เสื่อมนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ง่ายๆเนี่ย ก็กันตามความจริงเวลานี้ก็ต้องนั่งคุยกันเฉยๆพระรูปสองรูปนั่งคุยกันก็ประรบปิทุกังบนกันระนาดหนิ่งแต่ว่าไปทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระเด่นดังโดยเฉพาะที่มีตำแหน่งสูงๆสมณศักดิ์สูงๆเนี่ยคนเวลานิมนต์กิจกรรม ทางราฐพิธีทางรัฐพีธีทั้งพิธีของเองกนชนอะไรแต่อะไต่างๆเพราะในมวลพระกลุ่มนี้ยี่สิบปลุพระราษฎราก็ไปกองอยู่ที่ท่านเหล่านี้แล้วก็มีคนรุ่นใหม่ก็เห็นว่าเป็นทางมาแห่งราชสักดิ์ชื่อเสียงในที่สุดก็พยายามขวนขวายที่จะก้าวไปสู่สถานะเหล่านั้น ก็กลายเป็นปัญหาเรื่องสมณศักด์เรื่องตำแหน่งเรื่องหน้าที่เพื่อจะเป็นบันไดที่ก้าวไปสู่ราภการกชื่อเสียงเนี่ยแล้วคนรอเนี่ยมันมีเวลาจากัดคือถ้าเราไปทุ่มเทในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งมันก็ย่อนเพราะยังไงเราก็ไม่ใช่นารายสีก่อนที่จะไปทาอะไรได้ทุกอย่าง เราก็ต้องเน้นหนักไปในอย่างใดอย่างหนึง่งวันก่อนได้อ่านหนังสือของก็ที่จริงเป็นพระหลวงตานะเป็นพระหลวงตาชื่อหลวงตาผนึกที่จังหวัดสุรินทร์การมรณภาพไปแล้วลูกชายของท่านมานั่งอ่านหนังสืออยู่ ท่านบอกว่าดูทำไมหนังสือบ่อยๆให้ดูที่จิตเขาพอแล้วอ่านจนจบแหละคือฟังความคิดของท่านภาษาที่ท่านพูดในสั้นๆ เ, เรียกว่าไม่ถึงสองรรทัดทั้นนั้นนานๆจะเจอสักสี่ห้าบรรทัดตักตีมแต่เป็นภาษาที่ออกมาจากใจออกมาจากใจ ก็อน า, าพไปแล้วก็ที่จริงก็ต้องพูดว่ น, นิพานน่นะครับเพราะว่ากระดูกกันเป็นธาตุเป็นหลวงตาบวชอายุหกสิบอายุเก้าสิบเอ็ดก็สิน้นคือท่านจะเน้นไปที่ความเป็นธรรมะมากกว่าในเรื่องรูปแบบรุร่งรังต่างๆคนมาทำบุญกับท่านเนี่ย บอกขอสวายจตุปัจจัยหลวงพ่อท่านบอกไม่ต้องหรอกเราไม่ได้บวชมาเพื่อเงินเพื่อทองเราบวชมาเพื่อมรรคผลนิพพานพอาก็เปลี่ยนเป็นคําว่าขอทําบุญกับพระศาสนาเอาตามใจขออันุทนาเดี๋ยวให้ท่านเนี่ยท่านไม่เอาแต่ถ้าทําบุญกับพระศาสนาท่านก็อันุทนา ก็เป็นประวัติที่น่าทึ่งน ะ, ะตอนนี้การประวัติพวกที่เชื่อกันว่าเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยสองสามเรื่องนะก็รู้สึกปฏิปทาท่านน่าสนใจแล้วก็สอดรับกับพระพุทธธรรมหลักที่ว่าเนี่ยคือท่านเหล่านั้นเป็นธรรมทันญาติไม่พยายามที่จะเป็นอมิสทานญาตะ ตอนท่านเริ่มสร้างวัดเนี่ยคนถวายที่ดินท่านเรื่อตตนก็สามไร่ก็ไปกราบเรียนหลวงปู่ดูลมาหลวงปู่ดูลวัดบุรภารามที่สุรินทร์หลวงปู่ดูลก็มาแล้วบอกให้รับไว้แต่มีข้อแม้ว่าไม่ต้องทำอะไรหลวงปู่ดูลบอกว่ามีหน้าที่ภาวนาอย่างเดียว ต่อไปจะมีคนมาสร้างเองก็มีเจ้าของอยู่แล้วทางนั้นนะการต่อมาวัดนี้ก็มีศาสนสถานขอสร้างขึ้นก็ดีเขาเหมาะส ม, มเป็นวัดป่าทีเียคือหมายความว่าธรรมธายาสมา ก, ก่อนแล้วอามิสเนี่ยจะเข้ามาสนับสนุน เพื่อการศึกษาเพื่อการปฏิบัติเพื่อการสมัมผัสผลเพื่อการเผยแผ่เพื่อการดูแลศาสนาแต่ถ้าเราไปเริ่มที่อามิตแต่ว่าเราไม่เป็นจุดที่สนใจของสาธุชนที่เขาศรัทธาในสุดเราก็เสื่อมธรรมะแล้วก็เสื่อมจากอามิตศาสนาก็อยู่ไม่ได้ ดังนั้นหลักการนี้จึงถือว่าเป็นหลักการใหญ่หลักการใหญ่แม้แต่ตอนที่ก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพานก็ยังเน้นที่พระธรรมินทร์เป็นาศาสนาของาศาสนิกทั้งหลายทีนี้ทรงหเหตุผลต่อไปว่าพิสุทั้งหลายหากเธอทั้งหลายเป็นอามิส h s t h a ไม่เป็นธรรมทายาของเราตรถาคตเพราะข้อนั้นเธอทั้งหลายจะพึงถูกตีเตียนเอาได้ว่าสาวกทั้งหลายของพระศาสดาพากันเป็นอามิสทายาตไม่เป็นธรรมทายาทถูกถึงเราตราคตก็คงถูกเป็นอยู่จนติเตียนด้วยว่าสาวกของพระศาสดาเป็นอามิศทายาทไม่ได้เป็นธรรมทายา คือคนเราเนี่ยมันชั่วดีถึงกันเชื่อมโยงถึงกันแม้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ชั่วอะไรหรอกแต่ว่าคนในกลุ่มนั้นมันเกิดชั่วขึ้นมาแต่ปลาตายตัวเดียวก็มนทั้งค้องนั่นแหละม่อก็เหมือนคำที่เราพู ด, ดว่าเอเด็กนี้มันเป็นยังไงพ่อแม่มันไม่สั่งสอนเลย หรือบางทีก็พูดว่าพ่อแม่สั่งสอนลูกอย่างไห่จึงมีนิสัยอย่างนี้พเพราะงก็เลยกระทบไปถึงพ่อแม่ด้วยพ่อแม่จะสั่งสอนหรือไม่สั่งสอนไม่รู้มันก็กระทตกด้วยแต่นี้พระาศาสนาสั่งสอนแล้วเพียงแต่วาส า, านิกไม่ทําตามไม่ทำตามเข า, า ก, ก็ตําหนิพอตําหนิเมื่อก็ต้องตําหนิไปถึงาศาสนา เป็นครูบาอาจารย์ัึงอุปาชายอาจารย์ถึงพระสงฆ์ทั้งหลายตามปกติแล้วในแวดบงของศาสนาเราเนี่ยเวลายกย่องเนี่ยเขายกย่องเป็นส่วนปฏิเจกะแต่ว่าตอนตําหนิเนี่ยเขาตำหนิในส่วนของสงฆ์ทั้งปวงใช้คำว่าพระเดี๋ยวนี้พระสมัยนี้พระเวลานี้ใช้ไม่ได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ถ้ายกย่องความดีก็จะพูด่พระรูปนี้รูปนั้นวัดนี้วัดนั้นคือหยิบมาองเดียวไม่ยกย่องสรรเสริญกันไปต่หนีไม่ต่ำนี้หมาโลเลยนี่คือสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่เราไปแก้ความคิดต่างสังคมเรานี้ไม่ได้แล้วการมาก็ต้องมีความคิดร่วมกันที่จะพยายามปฏิบัติภาราหน้าที่ของเราเอง แต่ทีนี้คำมาธรรมทายาทมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นภิกษุเท่านั้นเพียงแต่ว่าส่งแสดงกับภิกษุก็สรงผ่านไปสู่พิสุนีอุบาสกปัจิกาสามเณรสามเณรีสิกขมานาอลไรก็หมดแหละพุทธบริษัทหมายความว่าพุทธบริษัทสงผ่านไปถึงตรงนี้ ก็ยังนึกถึงว่าเราเอาระดบับหลังๆเอาระดับที่ถึงพระไตรสนาคมด้วยจิตจริงๆถึงด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจริงๆถึงให้ได้จริงๆมันจะได้ทั้งศีลทั้งธรรมะทั้งคุณภาพของจิตอนเนกันนั่นเลย วันก่อนได้ยิงคนเราอ่ะสมเด็จพระพุทธเจย์โตพรหมรังสีนี่ไปไหนนั่งที่ไหนก็ตามท่านยืนยันสัจจะของท่านพุทธังสนังกัจฉามิธรรมังสนังกัจฉามิสังขังสนังกัจฉามิท่านั้นแต่แม้คำว่าพุทธังสนังกัจฉามิธรรมังสนังกัจฉามิสังขังสนังกัจฉามิโอโหยิ่งใหญ่ลึกซึ้งมากเลย เพราะคนที่เข้าถึงได้จริงๆแล้วก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยโน่นต้องเป็นประสบกาบณเลยคนทัไปมันก็แวง่งแว่งไปแว่งมาก็หวั่นไหวไปเรื่อยเมื่ก่อนเจอกับนายซีแกพูดรอยก พระพุทธเจ้าแกก็ยกเขาขึ้นมาเลยพระที่วันนั้นเขา ก, ก, ก็ก็ติงเอาเป็นแม่จีเลยอยาไปอ้างเขาอยู่เลยยังไม่รู้จักอ้างพระพุทธเจ้าบอกพระเจ้าส่งแสดงไว้อย่างนี้เขาบอกไม่ใช่เขาว่าอย่างนี้เลยก็พูดสองําคำก็เลิกพูดก็ปล่อยพระเจ้าเจ้าวาดก็เอ๋เจ้าเจ้าของวัดก็พูดกันเอง เป็นคนในวัดนี่ก็คือปัญหาว่าถ้าตาบใดที่เรายังเป็นอมิสถายาให้ความสำคัญแก่วัตถุ ก, กันแล้วไม่พยายามศึกษาป ร, ประพฤติปฏิบัติให้ได้สัมผัสผลแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่ตยกันดูแหล่ศาสนานแล้วเรา จะนำพาศาสนาฝ่าฟันอุปสรรคอันต ร, รายไปได้หรือไม่เพราะว่าอันต ร, รายที่เกิดขึ้นแก่ศาสนานเวลานี้ก็มีเยอะเหลือเกินแล้วก็บางศาสนานี่ก็เจาะจงมาเลยที่จะพยายามเอาศาสนิกในพระพุทธศาสนา ให้หันไปน้ำถือาศาสนาของเขาเองโดยเขาไม่ไม่คิดเนะ่ยเพราะเขาไม่มีพื้นฐานความเชื่อเขาความเชื่อต่างออกไปเผ่ถ้าเราไปตั้งคำถามว่าในาศาสนาเหล่านั้นนะเคยมีคนที่บริสุทธิ์จากกิเลสเป็นพระหันอยู่ในปัจจุบันให้เห็นสักพันได้ไหม แล้วการไปมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าชัว่วในดันดอนเนี่ยมันได้อะไรมันก็คือเกิดแก่จะตายเท่นั้นเองทั้งนี้อะไรเลยเพียงแต่อายุมันก็อยู่นานแล้วก็อยู่ทำอะไรเราอยู่ทำอะไรงานการอะไรก็ไม่ได้ทำอะประโยชน์ตนเองก็ไม่เกิดประโยชน์กั บ, บุคคลอื่นก็ไม่เกิดทิวัดชีวิตอย่างนั้นไม่เกิดมาดีกว่า เันในพระพุทธศาสนานเราพิสูจน์ได้นะครับแม้แต่พระจีนพระญี่ปุ่นพระอะไรแต่อะไรต่างๆาเราเราพิสูจน์ได้พระธิเบศพระอะไรเนี่ยเราพิสูจน์ได้ว่าธรรมระดับสูงที่พระพุทธเจา้าทรงแสดงเอาไว้สำหรับธรรมทาญาติแล้วก็จะเป็นมรรควิธีที่จะนำบุคคลเหล่านั้นเข้าสัมผัสผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานได้ ดังนั้นการที่สาวกเป็นธรรมทายาทสาวกนั้นก็รับการสั่เสริญพู้เจ้าเองก็รับการสั่งเสริญว่าสาวกของพระตถ า, าคตเป็นธรรมทายาทไม่ได้เป็นอมิสทายาททีนี้การสังเสริญเน้นํำมาซึ่งความศรัทธาความเลื่อมใสขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาดำเนินไป เป็นประโยชน์ต่อกูลทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลดรับสั่งว่าย้ำนะฮะยำ้ยำย้ำย้ำสามครั้งเนี่ยสี่ครั้งพิสูจ์ทั้งหลายพระเหตุนั้นแ ล, ลเนาาเ ะ, ะเธ อ, อทั้งหลายจงเป็นธรรมธายาของเราตถาคตเธอจะเป็นอามิสถายาตเลยเราตถาคตมีความมนุเคราะห์ในเธอทั้งหลายอยู่ว่า ทำอย่างไรสาวบกทั้งหลายของตาของเราตถาคตจึงจะเป็นธรมรมทายญาติไม่เป็นอมิสตายาติแล้วในข้อต่อไปรับสั่งว่าพิสูจ์ทั้งหลายเราตาถาคตฉันเสร็จแล้วคือพูดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าดินธบาทมาแล้วฉันแล้วแล้วก็อาหารเหลือ อ่าเหลืออยู่ในบาทพอดีมีพระมาสองรูปองค์ก็รับสั่งว่าอาหารเนี่ยตถาคตฉันเสร็จแล้วอิ่มแล้วแต่ใครต้องการจะเอาไปฉันก็ได้พิสูรรุ่นหนึ่งคิดว่ายังไงพระพุทธเจ้าก็ฉันเสร็จแล้วเราก็ยังไม่ได้ฉันเราก็จะฉันดีกว่าท่านขอเอาไปฉัน รื้อเดิมบอกไม่เอาอ่ะพระวิเจ้าสอนห้เป็นธรรมปัญาชนเราจะรับมรดกธรรมะของพระองค์ในนอนพิสูจน์ที่ฉันอาหารนั้นก็อิ่มมื้อหนึ่งนะแล้วก็องค์ที่ไม่ได้ฉันนั้นก็อาจจะหิวไปวันหนึ่งแต่ว่าพระองค์ก็ยกย่องสรรเสรินองค์ที่ไม่ยอมรับอาหารนี้เป็นตัวอย่างเฉยเยนะ แต่ตัวอย่างเฉยๆ ค, คือตัวอาหารนั้นก็ยกตัวอย่างเป็นอามิตรเพราะมันสําเร็จประโยชน์น้อยมันให้ผลน้อยไม่ใช่ไม่ให้ผลหรอกติวะผลมันน้อยก็กินแล้วก็เสื่อมฉลายไปเป็นเป็นกฎเกณฑ์ที่เรานำมาเทียบเคียงได้ เพราะการที่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตัดสินใจต่างกันองค์ที่ตัดสินใจเป็นธรรมธายาไม่ยอมฉันอาหารเหล่านั้นทางๆางที่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วอาหารเหล่านั้นเมื่อไม่มีสองท่านนั้นฉันพระพุทธเจ้าก็ต้องทิ้งแต่ว่าเมื่อองค์หนึ่งเอาไปฉันก็กลายเป็นมิจฉาญาติไป องหนึ่งไม่ยอมฉันก็กลายเป็นธรรมะญ า, าติไปก็ประโยชน์ถามว่าประโยชน์ได้ไหมก็ได้เดียกันทั้งคู่องหนึ่งก็ได้ฉันอิ่มหนึ่งแต่ว่าอีกองหนึ่งท่านก็อาจจะอยูแต่ว่ า, ารักษาหลักการวิธีการที่ถูกต้องไว้ได้ ทีนี้เวลารับสั่งเนี่ยรับสั่งจบตรงนี้ทานเนี่ยับสั่งจบทานนี้ไม่ได้อธิบายขยายความว่าการเป็นธรรมทานญาติคือทำอย่างไรการเป็นอมิสตาญาติคือทำยังไงพระเหล่านั้นก็ต้องข้องใจต้องข้องใจสงสัยพอดีภาษารีบุตรก็อยู่ในทีเดียวกัน ในวัดพระเจ้าตะวันเหมือนกันเมื่อพุ่เจ้าไม่ทรงอธิบายให้ฟังถ้าเหล่านั้นที่ต้องการไฝ่รู้จริงๆก็ไปหาพระสาธิบุตรก็รอให้พระสาดิบุตรได้ช่วยอธิบายขยายความให้วิธีการแนวเนี้ยพระเจ้าทรงใช้บ่อยคือบางทีพระมหาสาวกเนี่ย คือท่านไม่ได้อยู่เกาะกลุ่มกันเป็นหมวดเป็นหมู่เห็นหน้ากันประจําพระบางองค์รู้จักกันแต่ชื่อเนั้นเองฮรเช่นพระปุณณมันตานีกับพระสารีบุตรเนี่ยก็เคยได้ยินกันแต่ชื่อเจอนั่งคุยกันแล้วก็เพิ่งรู้จักกันทีหลังรู้จักกันโดยคุยธรรมะเนี่ยถามปัญหาเรื่องธรรมะกัน ดฉงนั้นพระสารีบุตรเนี่ยคงคงมีพิสูุเป็นนันมากที่ไม่รู้จักปุจจาต้องการจะเชิดชูพระสารีบุตรให้เป็นที่ปรากฏแก่พิสูุทั้งหลายเพราะการที่พิสูจรูปหนึ่งเข้าใจในยะแห่งพระธรรมเทศนาเข้าใจพุทธประสงค์แห่งพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ พ ร, ระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราไม่ได้เป็นอะไรแต่เราเข้าใจเนี่ยแสดงว่าคนก็จะให้ความเคารพนะับถือท่านผู้เข้าใจในธรรมานั้นดังนั้นท่านเหล่านั้นจริงไปหาพระสารีบุตรความความตอนนี้ว่าพอพระสารีบุตรท่านเรียกไป ภาษาลิบุรก์ออกกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายไม่ศึกษาความสงัดตามโดยเหตุมีประมาณเท่านี้ก็แหละเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดสาวกทั้งหลายศึกษาความสงัดโดยเหตุมีประมาณเท่าไหร่ พิสู์เหล่านั้นเรียนว่าท่านผู้มีอายุแม้ผมทั้งหลายก็ออกมาแต่ที่ไกลเมื่อจะทราบเพื่อจะทราบความเนื้อความแห่งพุทธภาษิตในสานักของพระเถระโกกาสให้ภระชาริบุตรอธิบายขยายความแห่งพระพุทธภาษิตแก่ได้ทรงจำเอาไว้ภระชาริบุตรจึงกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นท่านนังหลาจงตั้งใจฟังให้ดีผมจะกล่าวสี่สุก็ตกลงทีนี้ประเด็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเอาเฉพาะประเด็นเดียวประเด็นหนึ่งว่าศาสดานั้นยินดีในความสงัดความสงัดมันก็มีสามสงัดนะฮะแต่ท่านจะเรียกว่าวิเวก ค, คือความสงัดทางกาย ความสังหัดทางกายก็มีสองในยะในยะหนึ่งก็คือการหลีกเร้นอยู่โดยลำพังปราศจากเสียงรบกวนในยะที่สองก็คือสังหัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆมีการประทุสลายทางกายหรือขนองกายขนองวาจา ในกรณนี้นับวาจารวมกับกายนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของกายก็เรียกว่ากา ย, ยาวิเวก ค, คือสงัดกายกับวาจาตัวอย่างที่เด่นชัดก็คือกุศลกำหนดเจ็ดข้อแรกการงดเว้นจากการประทุษร้ายต่อชีวิตทรัพย์สินคู่ครองของบุคคลอื่น ลดเว้นจากการพูดเทศพูดสอดเสียดพูดคำหยาพูดเหลวไหลทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าสงัดกายแล้วก็จิตตวิเวก ค, คือสงัดจิตหมายความว่าจิตอยู่ด้วยธรรมะเช่นว่าเจริญเมตต า, า, าภาวนาภาวนาพุโทโธอะไรต่างๆเนี่ย มายความว่าเวลานั้นใจจดจ่ออยู่กับปุตสนธรรมอาจจะไม่ใช่นั่งสมาธิก็ได้แต่เรามีสติระลึกรู้อยู่ที่ธรรมะหรือว่าการพิจารณาธรรมะยกขึ้นมาข้อหนึ่งวันก่อนนี้มี แต่โยมที่จริงเขาเป็นอิสลามอยู่ก่อนนะเดี๋ยวหันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาหนักแน่นวันนี้ก็ลาออกจากราชการไปเป็นอาจารย์สอนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นครูสอนธรมาที่อยู่ภายในวัดที่นครราชสีมาก็ได้โทรศัพท์ขอบคุณที่ก็ส่งหนังสือธรรมะ ม, มาให้ แล้วก็ก็เลยก็สักถามเรื่องหลวงตาผนึกเนี่ยกับพระอาจารย์สุวัตคือท่านเราว่าอาจารย์สุวัตเนี่ยเป็นฟังเทศจากอาจารย์บัวแล้วก็ฟังแล้วทั้งมานั่งพิจารณาไปตั้งแต่เทศอะ่ะตอนเทศเสร็จก็ฉันข้าวก็พิจารณาตามไปในขณะฉันข้าว ลูกเจ้าตรงนั้นก็เดินพิจารณาไปแล้วก็ได้บรรลุในขณะที่เดินอยู่นั่นแหละเวลานี้มรนภาพไปแล้วก็ปก็ดูไม่ใช่ธาตุของท่านเนี่ยใสเป็นแก้วเลยสวยมากนี่เราจะเห็นว่าไอ้จิตที่ส ง, งัดตรงนั้นไม่ไม่มันคือกายมันก็เดินนั่นะ กายมันก็เดินอยู่หรือว่าในตอนฉันอาหารกายมันก็กินไปแต่ว่าจิตไม่อยู่ที่กินเน่ยมันไปอยู่ที่ธรรมะพิจารณาธรรมะไปไเรื่อยๆจนในที่สุดก็เป็นอุปทิวิเวก ค, คือสงัดจากกิเลสจิตก็สงัดจากกิเลสทีนี้ปัญหาว่า ศาสนานั้นอยู่ในที่สงัดเย็นดีในที่สงัดสงัดทางกายสงัดทางวาจาสงัดทางพระไถยสงัดจากกิเลสแต่ว่าสาวกสาวกมีความคึกขนองอยู่สรุปสบายไม่ได้ใส่ใจที่จะทำใจของตัวเองให้มีความสงบไม่บอกใครนะฮะคือ โดยเนื้อหาแล้วก็หมายรวมของพุทธบริษัททั้งหลายที่จึงหมายถึงคนทั้งหลายในโลกนะเพราะว่าเป็นกระบวนการของกรรมคือกระบวนการของกรรมที่ทุกคนต้องรับผิดชอบโดยตัวของตัวเองที่นี้กรรมมันเป็นกฎอะเป็นกฎสากลมีมาแต่โลกมีชีวิตนั่นแหละ อันที่จริงก็มีก่อนโลกจะมีชีวิตขึ้นมาได้ทำไปเพียงแต่ว่าไม่มีที่สำแดงพอมีคนขึ้นมาก็มีที่ให้กรรมก็สำแดงออกมาลักษณะต่างๆคงๆกิเลสมันก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่ถ้าไม่มีคนไม่มีสัตว์มันก็ไม่มีที่สำแดงไม่มีที่สำแดงกิเลสเหล่านั้น แต่พอคนสัตว์ไอ้กิเลสมันก็มีคืออย่างที่เล่าไว้ในวันก่อนถึงโยมคนหนึ่งที่เขาระลึกชาติได้แล้วเขาเล่าออกทรทธศต์เนี่ยเวลานี้เป็นเรื่องที่มาเองมองด้วยความชื่นชมว่าสังคมเริ่มโน้มเอียงไปทางเน้นย้ำเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏรมากขึ้นสุภาพ ต, ตรีมีเยอะมาก ที่ท่านนั่งสมาธิที่ได้ได้บรรลุญาณ น, นะก็คงจะเป็นอภิญญารับลกิยานนี่แหละแต่ก็เล่าได้สบายเพราะว่าไม่มีวินัยห้ามอะไรก็เป็นกา ร, รอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเป็นการช่วยเหลือชาวโลกแต่มีการคือตามปฏิบัติตามตัวนี้ก็ที่จริงก็เป็นธรรมทาน ก็เลยเพราะว่ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการสัมผัสผลแล้วก็นํำมาเผยแผ่นํามาเผยแผ่ตามความจริงที่ประจักษ์เช่นว่าเคยเกิดเป็นเหียวมานี่ก็คิดเรื่องเหี้ยวได้ละเอียดรู้ว่าเหี่ยวทําอย่างนี้เพราะอะไรทําอย่างนี้เพราะอะไรทไําอย่างนี้เพราะอะไรทําไมจึงบินร้อนอะไ ร, ะไรต่างๆเนี่ย จ, จะรู้โดยละเอียดเลย จะบอกว่าการที่ต้องบินร่อนเนี่ยคือบินมานานแล้วมันปวดปีกการร่อนก็คือการพักปีกเพื่อเตรียมที่จะบินต่อไปลรวก็มองมาบวนอากาศาเออมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือเราก็เหนื่อยพอถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องหาทางผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยลงไปแล้วก็ ได้โอกาสบินต่อไปพเรื่องงูเขียวท่านก็อธิบายความคิดต่างๆของงูเขียวได้แต่ข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าเรื่องโมหะกัลโลพาโมหะกัลโลพาแล้วก็ติดสุขนะฮะเรื่องเฉพาะที่ท่านนํามาเล่าเนี่ยเป็นปัญหาเปลี่ยนภพชาติหมดเลยโมหะนั้นแน่นอนปิดบังเหตุผลสติปัญญาเป็นสัตติรฉาเมื่อโมหะอยู่แล้ว การจะอยากเป็นอะไรหละวัวกระทิงอยากวัวกระทิงก็อยากจะเป็นเยียวเป็นเยียวก็อยากจะเป็นสุนัขอยากจะเป็นสุนัขใหญ่คิดถึงเจ้าของแต่เมื่อเจ้าของไม่เห็นก็มาสนใจในธรรมะที่พระสวดใจสงบอย่างเรื่องคขังขาวที่พระเจ้าเล่าขังขาวแกก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกัน คนสุนัขมันก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าจิตมันสงบมันสบายมันแต่มันเป็นสุขมันมีแต่ว่าฟังธรรมะฟังพระสวดอยู่อย่างนั้นไม่มีใครเอาอาหารมาให้ในสุดก็ตายตายก็เกิดเป็นมนุษย์แต่บอกว่าคือมันอยู่ภายในจิต พอเห็นก็รู้ว่าทำไมทาอย่างนั้นทำอย่างนั้ น, น, นเพราะตัวเองเคยเป็นมาแล้วเคยเป็นสัตว์นั้นมาแล้วนี่ก็เป็นธรรมทายาทที่เดินไปได้ระดับที่ควรแกการยกย่องเพราะว่าคนเราถ้าถึงได้จุดนี้แล้วก็เรียกว่าปิดประตูอบายได้นะเขาะจะไม่กล้ากระทาบาปและโดยเฉพาะอ ย, าอย่างยิ่งจะควบคุมจิต ไม่ให้ถูกกรรมกับควบคุมด้วยโลภะโทสะโมหะราคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดเปลี่ยนพพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนชาติได้ก็คล้ายๆกับเราถูกกิเลสเหล่านี้สิงสู่เนี่ยเราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ในแม้แต่ขณะบูบเดียวนะเปลี่ยนได้แล้วทุกฝั่งทัหลาย